ลำดับขั้นตอนในการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อ2เข้าหากัลยาณามิตรเมื่อตัดปริโพศได้แล้วไม่มีอะไรติดข้องค้างใจไร้ห่วงกังวลพึงไปหาท่านที่สามารถสอนกรรมฐานให้แก่ตนได้ซึ่งมีคุณสมบัติ ด, ดีงามใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างแท้จริงเรียกว่ากัลยาณมิตคือผู้ประกอบด้วยกัญญาณามิตรธรรม เประการคือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าถแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนําในเรื่องไม่ควรซึ่งกัลยาณมิตรธรรมเจประการนี้ได้อธิบายไว้แล้วในบทที่12ว่าด้วยบุพภารของการศึกษากัลยาณมิตรนั้นถ้าให้ดีควรได้พระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้ก็หาพระอระหันต์พระอริยบุคคลระดับรองลงมาท่านผู้ได้ฌานผู้ทรงพระไตรปิฎกจนถึงท่านที่เป็นพระหูสูตรลดลันกันลงมาท่านว่าพระปุตุชนที่เป็นพระหูสูตรบางทีสอนได้ดีกว่าพระอระหันต์ที่ไม่เป็นพระหูสูตรเสียอีกเพราะพระอระหันต์ถนัดแต่แนวปฏิบัติที่ท่านผ่านมาเองเท่านั้นบอกทางไปได้พอจำเพาะตัวและบางองค์ ก็ไม่ถนัดเชิงสอนอีกด้วยส่วนพระพระหูสูตรได้ขนความมากสอบสวนมาหลายอาจารย์แสดงทางไปให้เห็นกว้างขวางและรู้จักกลวิธียักเยื้องสอนให้เหมาะยิ่งได้พระอาหารหันท์ที่เป็นพหูสูตรก็ยิ่งดีเมื่อหากัยานมิตรได้แล้วพึงเข้าไปหาทำวัดปฏิบัติต่ตอท่านแล้วขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากท่าน